ตอนความจริงที่ต้องยอมรับวันที่8พฤศจิกา ย, ยน2558กาบนสัสมการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกาเลมิตทุกคนนะก็นั่งสบายๆเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะก็วันนี้ก็มีคำถามนะคำถามนี้เมื่อกี้เพิ่งส่งมาเนาะ เมื่อเจอคนหลงทางเราสามารถนำพาเขาเข้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องได้ไหมคะได้ตำรวจไม่จับเนาะส่วนเขาจะมาหรือเปล่าเป็นเรื่องของเขาหรือทำได้แค่เพียงแนะนำบอกในสิ่งที่ควรทำแล้วปล่อยไปตามบุญตามกรรมก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้เนาะเอออันนี้ ถ้าเขาต้องการคำแนะนำก็ให้เขาเราไม่ต้องขี้เหนียวนะแต่ว่าเราอย่าไปลงท้ายว่าเธอไม่เชื่อฉันก็ตามบุญตามกรรมเนาะอย่าไปพูดอย่างนั้นและเมื่อไหร่กันคะเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองกำลังหลงอยู่หรือว่าต้องตกลงไปในเหวก่อนคะจึงจะรู้ตัวอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเนาะเจ้ากรรมในเวรมีตัวตนจริงจริงไหมคะ ใช่คนที่เราเคยไปสร้างกรรมทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงความรู้สึกสํานึกผิดในใจเราต่อการกระทาที่เคยทำไว้เมื่อมีสัญญาเก่าเกิดขึ้นมาให้ระลึกถึงได้ค่ะคือมันไม่ใช่ตัวตนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมันเป็นบันทึกสัญญาแล้วจิตนี้ไม่มีเพศนะแต่ถ้าจิตนั้นบันทึกแล้วเนี่ยเขาเกิดไปในร่างไหนอะไรก็ได้นะ เ, ออเขามีหลายกรรมมากเราก็มีเจ้ากรรมนายเวรเยอะมากเพียง mm. แต่ว่าไอ้กรรมหลักตรงนั้นนะ่ะคืออะไรที่มันจะส่งผลให้เกิดอนาคตชาติอยู่ในร่างไหนก็ช่างนะแต่จิตเขาบันทึกสัญญานั้นเหมือนเทวทัตหาเรื่องเล่นงานพระพุทธเจ้าเจ้าชายยศะถะถูกเล่นงานตั้งแต่ยังไม่ประสูตรนะอยู่ในท้องอยู่ในครรนก็โดนถูกเล่นงานถูกกันแจ้งแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องวิบาก แต่ถ้าเราทําความดีไว้มันจะแค้วคลาดตลอดนะเจ้า ก, กรรมในเวรนี่สำคัญคือในตัวเราจิตเราบันทึกอะไรไว้ไหมถ้าเรามีพ ย, พยาบาทใครเนี่ยเราพยายามล้างเรานะเปลี่ยนกรรมกลายเป็นโอโหสิกรรมแล้วเปลี่ยนจิตคนอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเปลี่ยนเทวทัศน์ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของแต่เทวทัศน์กันแกล้งอะไรบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพยาบาทเ ป, เป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละนะแต่เราเปลี่ยนตัวเอง นะเราหยุดกรรมคนอื่นไม่ได้ไอ้ที่เวลาเราแล้วอย่างนี้การแผ่อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเป็นแค่กุศโลบายให้จิตเรามีเมตตาหรือเขาจะได้บุญจริงคะเราได้เราได้ให้เปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นอโหสิกรรมนะ เ, เขาต้องเป็นไปตามกรรมเขาอย่างตอนนี้คนตายไปเนี่ยคนจีนก็บอกวันเชงเมง้ง นะไปไหว้เจตนาคือทำให้คนอยู่เนี่ยเป็นวันพบญาตินะบางทีไม่มีเวลาแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมานะโกรธแค้นกันไม่พึงพอใจกันก็ถึงเวลานั้นใช้โอกาสนั้นสาสางเพราะว่าไปกราบบัมพบบุดเราเองนะมันอาจจะมีการให้อภัยกันแต่ตอนนี้อุบายตรงนี้ไม่ได้ผลละเธอไปวันขี้ฉันไปวันคู่ไม่อยากมองหน้ามึงนะ กลาเว็นว่าทําแล้วไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่ทําก็กลัวไงกลัวจะไม่รุ่งเรืองกลัวว่าไอคนที่เขาไปแล้วก็จะมาหักคอเราหรือก็แล้วแต่นะถ้าเป็นผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะผู้เจ้าไมไ่สอนให้ยึดมั่นถือนั่นเนี่ยเราทําบุญเนี่ยแผ่ส่วนกุศลเนี่ยให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่เลือกเฉพาะเจ้ากรรมในเวรเราอันนั้นยังขี้เหนียวนี้อยู่นะเอาเฉพาะของชั้นคนอื่นไม่ให้ มันไม่ใช่สุญญาตาทานสุญญาตาทานคือทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สักแต่ว่าให้นะเหมือนที่นี่เรามีเด็กยากจน8900รคนเนี่ยชื่อเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้พ่อแม่เขาเป็นไงไม่ชื่เรามีหน้าที่ให้เราได้อะไรเราก็ได้ให้การให้เนี่ยเป็นอุบายวิธีขัดเกล่ความโลภความตนีเราทำบ่อยๆบ่อยๆเราก็เกิดความเมตตามากขึ้นนะไม่ใช่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะ เรานั่นแหละก็เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาด้วยถ้ามันบึกเนเจอหน้าปุก๊กุมันไส่ละอย่างเงี้ยนะเออมันไสเนี่ยสุขไหมเราก็ทุกเองเห็นไหมเห็นไหมเราแบกพยาบาทนั่นแล้วเราก็ทุกเองนั่นแหละเห็นหเรามีหน้าที่ล้างของเรานะส่วนเขาเขาไม่วางก็เรื่องของเขาเหมือนเรามีอะไรพุ๊มเราก็ขอโทษส่วนเขาจะยกโทษมันก็เรื่องของเขาเราขอโทษเราอย่าไปบันทึกในจิตเราเอง นะภาพภา พ, พยนต์พุทธเจ้านี้ดีมากเราก็เห็นแล้วว่าพระพุทธองค์นี่แค่ไหนมหาบุรุษเลยล่ะยังเปลี่ยนกรรมเทวทัตไม่ได้นะสุดท้ายเทวทัตก็ต้องไปสู่ไปทุกขติภูมินะก <c oughs> ารแผ่เมตตาเป็นอุบายวิธีเนี่ยที่ทำให้เราเหมือนอะไรละ่ะถ้าเราสำนึกผิดนะ โอเคเราเรายอมรับเราผิดนะทให้จิตใจเราเนี่ยมีเมตตาขึ้นนะแล้วก็เราทําเราก็ได้นั่นแหละนะเราได้ทํามันเป็นการปลุกสมนึกเราว่าเรามีฉลิโอตปานะเรามีความละอายแก่บาปที่ผ่านมาเรารู้เราก็ไม่ทําชั่วเมื่อดีรู้แล้วเนี่ยเราเกิดเกิดความละอายแก่บาปเป็นการขัดเกลาตัวเองนะถึงบอกว่าอยู่กับตัวเองนะ ดูแลตัวเองดูแลคนอื่นดูคนอื่นน้อยๆห น, น, น่อยหนึ่งนะคนที่ชอบเงี่ยหูฟังชอบชอบปุ๊บแล้วก็เอาไปถ่ายทอดอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตทรงออกคือสมุทยัยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกที่เราเงี่ยหูฟังคนอื่นเราแอบไปดูคนอื่นเนี่ไม่เป็นพราะความอยากอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากคือที่มาของทุกข์แล้วเราก็ไปนั่งบางทีเรามีเมตตาแล้วก็ไปนั่งทุกข์กับเรื่องคนอื่นแล้วเราก็เปลี่ยนกรรมเขาไม่ได้นะ อันนี้ลักษณะพูดมาก็ชอบไปดูคนอื่นห่วงคนอื่นหมดเมื่อมันหลงทางอะไรเนี่ยนะเออถ้าเขาไม่ปรึกษาเราเราก็จะไปไปยุ่งเรื่องเขาดีไม่ดีเขามีของแถมด่ามาพร้อมนะอย่ายุ่งเรื่องกูเห็นไหมนอกจากว่าเขามาปรึกษาเราเราก็ไม่ขี้เหนียวความรู้แล้วก็แนะนําเขาส่วนแนะแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขานะก็ไม่ต้องไปพูดต่อว่าเป็นตามบุญตามกรรมนะ่ยอันนี้เราไม่ต้องพูดมันเป็นอยู่แล้วเทนะ่ะ คำถามจากกรุงเทพคุณแม่ป่วยหนักอยู่ในภาวะหัวใจล้มเหลวจะไปตอนไหนก็ได้ความคิดแม่มีอย่างเดียวขอให้ได้กินอาหารทุกอย่างที่อยากกินรวมทั้งอาหารสแสลงหลังกินก็มีปัญหาหายใจไม่ออกลูกๆห้ามก็ทั้งโมโหทั้งด่าทั้งแช่งลูก เราควรทําอย่างไรดีเพื่อไม่ให้ติดค้างกันคะเห็นไหมเราเปลี่ยนแม่ได้ไหมเห็นมนี่แหละมันเป็นตัวอย่างดีมากนะสภาวะตรงนี้นี่ยากมากนะเป็นสภาวะที่ยากมากไม่ให้กินแม่ก็สร้างเมื่อโกับแม่ก็โมโหถ้าแม่ขาดใจตอนโมโหนั่นคืออบายภูมิแต่ถ้ารู้อยู่แล้วแม่กินอาหารนี่แหละแม่ เจ็บป่วยทุกครั้งเลยเนี่ยไม่ให้กินก็ถูกดา่าอันนี้เป็นปลายเหตุนะต้นเหตุคือเราไม่เตรียมความพร้อมไอ้ น, นี้ขนาดว่าไม่ได้กินก็ทุกนะแต่ถ้าไม่อยากตายเวะลามันจะตายแลวมันทุกแค่ไหนนะคุณย่าแม่พ่อคูเนี่ยสามเดือนมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้สองปีเขาจับไปผ่าตัดไอ้เรื่องอะไรๆเนี่ยแกก็เริ่มเจ็บแต่แกไม่เคยร้องออกมาเม้แต่คํานึง สามเดือนจะไม่อยู่ที่นี่นอนเจ็บอยู่สี่ห้าวันออกมาเต้นอีหเจ็ดวันแล้วก็ไปเจ็บต่อเขาฝึกจิตไงจนวินาทีสุดท้ายสามเดือนนั้นไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยคนเตรียมพร้อมคนฝึกจิตมาก็ว่าคนไม่ฝึกจิตเนี่ยอันนี้แค่ไม่ได้กินของที่ตัวเองชอบเนี่ยก็โกรธละน่โกรธกับโมโหเนี่ยเราต้องไม่มีเจตนาทำให้คุณแม่เราดีช่วยยังไงก็จังอย่าให้เขาโมโหนะโมโหเนี่ย ก็คือนรลกเราดีๆนั่นแหละถ้าวินาทีขาดใจตาตอนนั้นน่ะคืออบายภูมิมันก็คือผลที่ว่าตลอดเวลามาเนี่ยเราไม่เคยเตรียมความพร้อมเราประมาทนะเออบังเอิญลูกได้ปฏิบัติทำบ้างก็ยังรู้อยู่ว่างั่นแต่มันเป็นสภาวะถ้าถามว่าคูบอกเดินสายกลางนะนะเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนท่านไม่ได้เพียงแต่ว่าเออให้กินหาอะไรที่มันกินทดแทนตัวที่มันมันเกิดแสลงอะไรได้ไหม แต่อาหารใจนี้สำคัญมากบั้นปลายสุดท้ายอ่ะนะก็หาวิธีอย่างอื่นเทคนิคอย่างอื่นเนี่ยมาชดเชยกับที่เขาอยากแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้นะเห็นหมมันเป็นกรรมร่วมมาแล้วนะก็ถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยเห็นไพรากูไม่มีปัญหานะบางเอินเราไม่มีปัญหาไม่พอแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายือนหยัดตั้งมั่นกับสิ่งที่ดำเนินเนี่ยคุณแม่เราก็ได้ด้วย เห็น ไ, ไหมแต่ถ้าเราตั้งมั่นเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยคุณแม่เขาทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องกรรมที่ท่านวางไม่ลงไม่ใช่เราไปทําให้ท่านทุกข์เราต้องมีเจตนาอย่าทำอย่างนั้นเห็น ไ, ไหมแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเห็น ไ, ไหมคุณแม่เขาปฏิบัติแล้วสุดท้ายวินาทีที่เขาจากไปนวาดเช็ดตัวอยู่ยังไม่รู้ไปตอนไหนเห็น ไ, ไหมเขาไทายแบบสงบแล้วก็ไม่ใช่เรียกร้องกินนะสมเดือนไม่กินข้าวละ คือจิตมันมีพลังแล้วเนี่ยนะกินอาหารทิพจิตถูกขัดเก่ยไม่พอเนี่ยคือชําระร่างกายให้ให้สะอาดด้วยนะอาม่าเราเนี่ยสุดยอดนะสามเดือนนั้นไม่กินข้าวพอสองอาทิตย์สุดท้ายนวาทให้อาหารเหลวนะตีกลับไม่รับด้วยสะอาดทั้งจิตทั้งร่างกายธรรมดาคนเราเวลานั้นอนะ เทวนุกต้องมีจุดใดจุดหนึ่งคลายออกมาอาม่าไม่มีเลยคือดีท็อกล่างกายด้วยจะถ้าไม่มีพลังจิตเราทําอย่างนั้นไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคุณแม่เนี่พลังจิตไม่ต้องบอ ก, อกแค่ไอ้ไอความอยากลดดิบลดหยบหยาบเนี่ก็ยังทนไม่ได้อั น, นี้คือเนื่องจากว่าเราประมาทชีวิตเราไม่เคยเตรียมความพร้อมดลจิตวิ ญ, ญญาณเลยถ้าจิตวิ ญ, ญญาณมันมีพลังไม่กินข้าวอาม่าไม่กินข้าวสามเดือน ชงอาหารเหลวนิดหนึ่งตอนนั้นก็กินอะไรไม่ได้คือว่านาว่าก็ให้อาหารเหลวปุ๊บมันตีกลับไม่รับเลยเห็นไหมจิตบริสุทธิ์แล้วร่างกายก็บริสุทธิ์นะอันนี้ก็เดินสายกลางนะชดแชนด้วยอาหารใจอะไรนี่หมายถึงว่าคือตอนนี้เราเปลี่ยนท่านไม่ได้นะถ้าเป็นในทางโลกทางวิทศาสตรบอกอยากกินได้กินเลย เพราะว่ามันจะไปอยู่แล้วนั่นคือเป็นสนองตันหาเพราะคูบอกแล้วว่าการกระตันญูรู้คุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าสนองตันหาเนี่ยนิเคสนี้ตรงเลยนะเพว่าแม่เป็นเบาหวานอยู่แต่ท่านชอบกินของหวานไหนๆกูก็ตายแล้วมึงอยห้ามกูได้ไหมเออเอาความสุขให้กูกินหน่อยไหมเออก็สุขพักนึงเดี๋ยวก็เกิดปัจกิยาข้างเคียงอีกก็ทุกข์แต่เขาสู้ความอยากเขาไม่ได้อันนั้นเรารักแบบสนองตันหาอยากเห็นแม่มีความสุข มันไม่ใช่สุกแท้มันสุกชั่วคราวเพราะหายอยากแต่สักพักหนึ่งมันเกิดอาการข้างเคียงเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียเนาะแล้วก็ใช้อุบายวิธีอย่างไรก็ช่างนะมีสิ่งชดเชยไหมนะเนี่เรื่องนี้มันมันก็เป็นเป็นอุทาหรณ์นะโมโหเนี่อารมณ์นั้นมันไม่ดีเนาะ มีจลิตเกิดขึ้นหนึ่งอย่างครับจากการฟังธรรมจากพก่อครูและจากการปฏิบัติคือทุกครั้งที่จะทำอะไรถ้าไม่ดีจะมีเสียงในหัวคอยบอกว่าก็รู้มันไม่ดีจะทำทำไมมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และอีกอย่างหนึ่งคือเวลานอนแม้ว่าฝันอยู่จะรู้ว่าฝัน ไม่ใช่โลกจริงแบบนี้เรียกว่าวิตกฉริตไหมครับหรือก้าวหน้าขึ้นครับนะอันนี้ไม่ใช่วิตกฉริตน ะ, ะวิตกจริตคือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ไปคิดเพิ่มเติมเกิดกลัวอันนี้มันเป็นตัวรู้เท่าทันอารมณ์แม้กระทั่งตอนนอนเห็นไหมนี่คือผลของการปฏิบัติอันนี้เป็นสติสัมโพชงน ะ, ะมันมันมันรู้เท่าทันอารมณ์แล้วมันก็มีตัวเตือน นะตัวเตือนสติก็คือจิตเดิมเราแหลนะมาเตือนที่เราฝึกมาจิตปัจจุบันก็เกิดอินทรีย์พละทั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันเหมือนมีคนเตือนสติเราไอ้ตัวเตือนสตินี้เป็นสติข้างในเรียก ว, ว่าสติสมโพชงไม่ใช่สติข้างนอกนะอันนี้คือผลที่เราปฏิบัตินะอันนี้ถ้าเป็นในทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องวิตกจริตนะมันคือ ผลที่เราปฏิบัตินะเราจะรู้เท่าทันอารมณ์เร็วขึ้นเห็นไหมเราแยกแยะถูกผิดดีชั่วละเห็นไหมแต่เร า, เราทําตามความเคยชินกินเลสมันเคยชินไงพอทำปุ๊บไปข้างในมันบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันมีตัวเบรกมันเป็นตัวเบรกตัวเตือนสติเรานั่นแหละตัวเตือนสติเราก็ไม่ใช่ที่ไหนนะก็คือจิตเดิมนอนคือเป็นสติสัมโพชงของเราข้างใน อันนี้คือผลของการปฏิบัติขอกราบเรียนถามพรอครูว่าผลกรรมของการคิดสั้นฆ่าตัวตายต้องรับวิบากกรรมอะไรบ้างคะและที่เขาว่าจะต้องเกิดมาฆ่าตัวตายอีก5้าร้อยชาติจริงไหมคะตอบว่าไม่จริงแล้วหลังจากห้าร้อยชาติแล้วจะไม่ฆ่าตัวตายอีกหรือคะหรือเปล่าฆ่าแน่ ถ้าชาติที่500รฆ่าตัวตายอีกมันก็ส่งอีกห้ารแต่คําว่าฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเป็นกรรมหนักธรรมชาติให้ร่างกายเรามาเราแทนที่จะใช้ร่างกายมาเราเนี่ยมาเจริญมรรคล้วกลับไปทําร้ายมันเนี่ยนะเอาเป็นว่า500ชาตินี่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายห้าอชาตินะคือไม่แก่ตายห้ารชาติตายโหงนะโดยเกิดอุด ภัยธรรมชาติเกิดโรคภัยไข้เจ็บคือไม่แก่ตายนะแต่ถ้าเรามาฆ้าตัวตาย5้0ชาติแล้วมันเมื่อไหร่มันจะจบล่ะเพราะชาติหนึ่งก็ต่อไป500ชาตินึงก็ต่อไป500รอันนี้ที่นี่เราเห็นนะเราเคยมีนะคุณครูเขาโรลึกชาติเนี่ยสมัยเป็นญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองฆ่าตัวตายนะนั่นแหละแ ล, แล้วเกิดมาอีกกี่ชาติเนี่ยก็เด้งไม่เคยแก่ตายเลยนะ อันนี้ไม่ใช่ว่ามาฆ่าตัวตายห0 0ร้อชาติคือมันจะเกิดอุปคาตกรรมซึ่งเราไปดีๆนี่แหละแม้กระทั่งเราทำความดีอยู่นะชาตินี้แล้วมันเป็นเพียรด้วยได้ยินไหมบางกลุ่มเนี่ยไปไปทำผ้าป่ากระถินกันนะเอารถบ้านไประหว่างทางรถคว่ำตายขณะเรากำลังทำความดีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอุปคาดกรรมเนี่ย ที่เราเคยทำแบบนี้แหละที่เราเคยฆ่าตัวตายหรือไปสร้างกรรมหนักมันมาตัดกรรมดีเราเลยนะมันมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบแต่ฆ่าตัวตายนี่ไปฝ่ายลบแน่นอนบางทีชีวิตเรามาดีๆกาลังมีความสุขปุ๊บตู้มตายฉับพันนะพรา ก, กูุึงวอยอย่าประมาทตอนเช้าเราก็ฝึกตายฉับพันทุกวันตายก่อนตายนะก็ลบล้างได้ลบล้างได้ นะก็ก็มีเคสหนึ่งนะเป็นเป็นสตรีะ่ะพอระลึกชาติเป็นชาวสุขโขทยัยหรือชอยาพระกูไม่รู้ละ่ะนะลบ ก, กับพมา่าเพระาพระพมา่ามาบุกเนี่ยลูกเมียตายหมดนะพอสงครามหยุดเนี่ยเขาบอกเขาจะอยู่ไปทำไมบ้านเมืองก็หมดละลูกเมียก็ตายหมดละเขาเป็นขุนศึกนะ ในกรรมฐานเนี่ยเอามีดแทงเพราะว่ า, าตายแล้วแต่พอเขาแทงปุ๊บเขามีสติวินาทีนั้นเน่เขากราบพระพุทธเจ้าเขาลึ ก, ลกพุทธานุสตินะเขาบอกเขาขอโทษในสิ่งที่เขาทำแต่เขาอยู่ไม่ได้จริงๆเขามีสติแล้วโปรแกรมสุดท้ายไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะตัวสติตัวนั้นส่งไปสู่สุกติภูมิ ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกแล้วในวินาทีนั้นใครๆก็ทําไม่ได้นะวินาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ส่งผลเราทั้งเราทั้งทำกรรมดีถึงละกกรรมชั่วนะแต่วินาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นกุศลเจิตเนี่ยมันส่งผลทางกรรมดีก่อนนะอันนี้เราก็เรียนรู้จากทุกคนเราลึกชาติไปเราก็เห็นทั้งกรรมดีกรรมชั่วเราสร้างมาแล้วนะพอเกิดมาชาติใหม่กรรมดีมันส่งผลอย่างไรกรรมชั่วส่งผลอย่างไร พระพุทธเจ้าก็เห็นเห็นจากสิ่งนี้ไม่ใช่ไปนั่งเทียนคิดเอาเองไม่ใช่พระองค์เห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมจากที่พระองค์ระลึกชาติคือบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นวิชาแรกที่พระเจ้าตัดสรูรนะและพวกเราก็ทำได้นะทีนี้ไอ้ ก, กรรมที่เราสร้างเนี่ยถ้ามันแรงเนี่ยเาเรียกว่าอุปคาากรรมบางทีกาลังเจอวิกฤตมองไปข้างไหนกูตายดีกว่าเพราะว่า ปัญหาลุมมเ้าเลยนะบังเอิญอุปคารกรรมฝ่ายกุศลมาตุม้มแก้ปัญหาได้หมดเลยเห็นไมเหมือนนังไทยโบราณนะเอานังเอกถูกกดขี่โกงเห้งเป็นคนยากจนนะพอวินาทีสุดท้ายเนี่ยเผยออกมาว่าโอ้ยเคยเป็นลูกเศรษฐีเก่าเขาตามหาตัวอยู่อันนี้อุปคาตกรรมเหมือนกันนะนีะ่ทีนี้เราไม่รู้หรอกเราสร้างมาทั้งสองด้านปัจจุบันนี้เราก็มีหน้าที่สร้างกุศล ฝ่ายกุศล น, นะเออบางทีกับอกุศลกับกุศลมันไล่บี้กันอยู่ห้าสิบห้าสิบนะฝ่ายเราเราเพิ่มฝ่ายกุศลปุ๊บไ อ, อ้ฝ่ายกุศลมันส่งผลอย่างนี้นะอันนี้เราหลอกตัวเองไม่ได้ดอกล้วหลอกใครก็ไม่ได้จิตเราเองบันทึกไว้เต็มเต็มก็เมื่อเห็นทุกข์แล้วจะอยู่กับทุกข์อย่างไรโดยไม่เป็นทุกข์คะก็สักแต่ว่าเห็นสิ คือถ้าเราเห็นทุกข์ปุ๊กเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เห็นมันบางคนทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ไปวิ่งหาความสุขนอกกายในมากบกเกิืนความทุกข์นั้นคําว่าเห็นทุกข์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เห็นไอ้ทุกข์ที่มันตรงข้ามกับสุขนะไอ้ทุกข์ตัวนี้เรียกว่ามันเป็นทุกขสัตว์อริยสัตว์ี่ตัวทุกข์นั้นคือตรงข้ามกับสุข คำว่าเห็นทุกข์นี่คือเห็นทุกขังเห็นทุกขังเห็นความดำรงอยู่ได้ยากนะมันเป็นกฎพระไตรลักษณ์นะถ้าเราเห็นมันตัวนี้ปุ๊บอย่าไปคิดเพิ่มเติมเนี่ยไอ้ทุกข์ซึ่งเป็นทุกข์เพราะเราไม่สุขนั่นมันจะไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างว่าเรายึดมั่นถือมั่นไม่มนี่ตัวกูนี่ของกูนี่ทรัพสมบัติกูนี่รถกูนี่บ้านกูเห็นไเราอยากมันดำรงอยู่ แต่พอเขามาชนรถเราปึ้งจากรถสวยกลายเป็นรถไม่สวยเห็นไมมันไม่เที่ยงมันทุกขังเหมือนเหมือนเรารักษาตัวเองเราต้องการไม่อยากตายนะพอมันจะตายเนี่ยที่มันตายมันเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะไอ้ทุกข์ซึ่งตรงข้ามกับสุขมันไม่เกิดขึ้น แต่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงนะคำว่าเห็นทุกข์นี่ทุกตัวนี้คือเห็นความไม่เที่ยงมันทุกข์ขังเพราะมันดารงอยู่ได้ยากถ้าเรารู้เท่าทันมันนะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่รู้สึกทุกข์นะหลายคนปวดท้องก็ไปกินยาพลาเบือฉันก็ไปเที่ยวใช่ไม เราหนีทุกตลอดตลอดเวลาเนี่ยนะเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นทรรมไอ้ไอทุกตัวนี้เนะี่ยว่าเราปวดท้องเรายอมรับมันสัอย่างหนึ่งนะมันเป็นกรรมที่เราสร้างมาซะว่าเราไปกินของไม่ระวังอะไรเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องรู้สึกทุกข์กับมันเห็นไหมมีบางคนทำได้ไง น, นะนะบางบางทีพระครูยกตัวอย่างอาจารย์อ้อยเนี่ยบางคนเอยไมผู้อาจารย์อ้อยเลยหลือจิตดวงนี้เขามาพิสูจน์อะไร เขาเป็นนักวิชาการเขามีฐานะทางสังคมอะไรเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่ทาไมสองปีแกมาแสดงธรรมเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องทุกขกายภาพนี่ทุกขแต่ละเดือนนี่ทุก์บักสุดๆเลยเขาก็งงว่าแล้วทําไมเขาไม่หนีพี่น้องเขาเป็นหมอเจ็ดแปดคนเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ไปรักษา เห็น ไ, ไหมเขาก็บอกตั้งแต่แรกว่าเขาไม่รู้จักพ่อครูบัญชาเขาไม่ได้ศรัทธาหรอกนะแต่เขาทําไมไม่หนีนะนะสมองเขาต้องมีเหตุผลว่าฉันฉันจะศรัทธาทำไมฉันไม่รู้จักคนคนนี้แต่เขาไม่รู้ว่าจิตเขาศรัทธามันเป็นจิตเดิมนะนั่นแหะไม่งกี้มันหนีไปแล้วทาไมมาทนเจ็บทนปวดอย่างนี้เนะ่ะเห็นไหมจิตเดิมเขาฝึกมาแล้วเขาก็เลยผ่านมาได้ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออะไร เจ็บจนเดินไม่ได้เลยนะนะพเพราะกูบอกธรรมะลมก็บอกธรรมะลมมันคืออะไรก็มันเจ็บจริงๆมันรู้สึกเจ็บจริงๆริงเฉยๆแต่มันไม่ได้เจ็บจริงๆอ่าพอสักพักหนึ่งพอมันฟื้นปุ๊บขึ้นมาเต้นอะไรีกแล้วเต้นเหมือนไม่เคยเป็ น, ป น, ปนไม่เป็นอะไรเลยถ้ามันเจ็บจริงๆลุกขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงสิบเจ็ดครั้งและแต่ละครั้งมันเปลี่ยนที่เจ็บใหม่เขากำลังรับยิบากเขาก็อยู่มันเป็นธรมรมะลมไง มันเป็นธรมรมอารมณ์นะก็พี่ปองเมื่อวานก็ไปลาพ่อกูว่าเออเดี๋ยวจะไปให้หมอดูดั้งจมูกแกหน่อยหนะึงพ่อกรูบอกมันเป็นธรมรมอารมณ์แกบอกครั้งก่อนก็ไปตรวจหมอจมูกเขาบอกคุณไม่เป็นไรไปเอ็กซเรย์ ก, ก็ไม่ต้องเป็นไรเพราะตอนนี้เขาอยู่ในอดีตเขาเป็นดิงเขาเป็นอะไรก็ช่างหมายถึงว่ามันเป็นอารมณ์ในอดีตมันแสดงขึ้นเรารู้สึกเจ็บจริงๆแต่มันไม่จริงนี่แหละธรมรมอาม เราก็จ่ายนี้กรรมทางจิตไงใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องกายภาพเราจริงๆนะแต่ทีนี้พอเราไปหาหมอปุ๊บเขาก็รักษาตามอาการเห็นปวดไหนก็ฉีดยาแก้ปวดก็คิดว่าเราหายมันไม่ได้หายนะเราไปกบเกินมันเฉยๆเนี่ยที่บอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแ่ะนะแต่ทุกวันนี้เราทุกข์ แต่เราไม่เห็นทุกเราไปหาความสุขมากบกเกิดนมันเฉยๆนะแต่ทีนี้ก็ไม่เป็นไรงไงโอเคจะไปตรวจก็ตรวจนะเออก็ไม่เป็นไรแต่บางโรคนี่นะหมอเขาก็รักษาต่างอาการนะพระอาจารย์เดชาเราเนี่ยเบาหวานขึ้นเจ0ดร้อยหลายปีก่อนมาห0 0้อยท่านปฏิบัติแล้วท่านก็ดีขึ้นบังเอิญว่า ท่านเป็นภิกษุนะท่านไปไหนเขาถวายอะไรท่านก็ฉันนะมาบังเอิญเมืองไทยเรานี่ชอบมากเลยให้ครบสูตรมีทั้งขาวหวานของหวานเต็มไปหมดเลยเห็นไหมละ่ะมันก็ขึ้นทีนี้ไม่มีใครตายเพราะโรคเบาหวานหรอกโรคภูมิแพ้มันกันไม่มีใครตายเพราะโรคภูมิแพ้มันตายเพราะโรคแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นอินซูลินฉีดเข้าไปให้มันต่ํา พอมันต่ำจะช็อคอีกก็ใส่น้ำตาลให้มันสูงขึ้นพอลิตยามันหมดมันก็สูงอีกแล้วมันจะไปไหนล่ะทีนี้มันก็ไปทำลายไตยไงเป็นสูตรสมเร็จเลยนะเบาหวานเบาหวานเบาหวานพอนานๆก็กินยาตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายก็ไปต้องฟอกไตแล้วก็ไม่มีใครหาย ห, ายหรอกแล้วสุดท้ายก็ไปเราไม่ได้ตายเพราะเบาหวาน เราไม่ได้ตายเพราะโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ทํำมุ่งกับมันจะโรคแทรกซ้อนมันจะเข้ามาแล้วก็ยานั่นแหละยายายายาไปกดมันไว้นั่นแหละบางครั้งมันเป็นเรื่องของธรรมะลมนะแต่เราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ฝึกเราเอ๊ะธรรมลมมันคืออะไรก็ฉันเจ็บจริงๆไงเราเห็นเราสัมผัสว่าเราเจ็บจริงๆสิ่งเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงนี่แหละมันเป็นธรรมะลม เป็นอารมณ์ทางธรรมะเพื่อให้จิตเราเนี่ยต้องจ่ายหนี้กับความรู้สึกเจ็บปวดนั้นแต่ถ้าเกิดจิตเรามีปัญญาแล้วก็ยอมรับมันเนี่ยมันก็เจ็บไม่มากก็เหมือนเจ็บที่เราเจ็บม า, มากเราไปเจ็บที่ใจเห็นไมเจ็บจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับจนผานออกินไม่ได้เป็นอุปทานนั้นนั้นแหละอยู่ที่ถ้ากระแสะกำเนิดสร้างมาเยอะเนี่ยแต่จิตปัญญามิไม่ฝึกนะ นี่เมื่อกี้บอกคุณแม่ทนความอยากกินก็ไม่ได้นะจนโกรธโมโหแล้วก็ไปแช่งลูกอีกนี่หยาบหยาบนะเป็นอุปทานทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยมันเจ็บก็ให้มันเจ็บสิใช่ไหมแล้วไปเจ็บกับมันทําไมอันนี้พูดมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะก็ เมื่อเห็นทุกข์แล้วนี่แหละสุดยอดละ <Good. S 1> ไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่กับทุกข์หรอกแล้วก็อยู่กับขันห้านี่แหละไอขันห้าไม่ใช่เรื่องเรื่องทุกข์อย่างเดียวนะเดี๋ยวเรื่องกลัวบ้างเรื่องอะไรบ้างมันมีเยอะแยะแะแต่เรารู้เท่าทันมันเท่านั้นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นนะยอมรับในความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยก็ดีเดี๋ยกลายเดี๋ยก็แข็งแรงเดี๋ยก็อ่อนแอนี่คือความเปลี่ยนแปลงไง แค่เรายอมรับมันเฉยๆใช่ไหเราก็อย่าไปมีความรู้สึกกังวลเราก็ไม่มีความรู้สึกทุกข์เพราะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไงฮะที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันแข็งแรงเราอยากให้มันมีความสุขพอมันไม่แข็งแรงพอมันมันมันไม่สุขมาฉันก็เลยทุกข์ไงทั้งหมดก็คือว่าเรามีความอยาก แต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปทุกข์กับมันนั่นแหละวิธีอยู่กับมันเนาะในการปฏิบัติธรรมที่ว่าต้องมีศรัทธาตั้งมัน่นถ้าเรารู้สึกว่าเราก็มีศรัทธาตั้งมัน่นแต่จะรู้ได้อย่างไรคะว่าจิตมันตั้งมั่นหรือเปล่าก็ถามมันสิมาถามพระครูทําไม ก็ถามจิตเราเองเนาะถ้ายังสงสัยอยู่นี่นะก็คื อ, อยังไม่ตั้งมั่นถ้ามันตั้งมั่นมันจะไม่สงสัยอันนี้คือพิสูจน์ออกมันยังไม่ตั้งมั่นไงนะแล้วต้องมีศรัทธาตั้งมั่นขนาดไหนคะรอยเปอร์ซหรือเกินร0ออร์ซหรือต้องมอบกายถวายชีวิตไปเลยคะถึงจะได้มีดวงตาเห็นธรรม สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้คะ่ะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคือว่าคําว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะบางคนยังไม่มีศรัทธาอะไรเลยนะไม่มีศรัทธาเลยนะทาสีอยู่ๆปิ้งเลยนะจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมขั้นสูงนะคือจิตเห็นจิตคือมรรคที่เราลามลามลาตรงนี้เนี่ย ใครลำข้างในมันสั่งลำใช่ไหมเห็นไหมเราก็เห็นแล้วจิตมันทําอะไรและเราคือใครเราก็คือจิตปัจจุบันไงแล้วก็เห็นจิตมันกําลังลำอยู่อันนี้คือดวงตาเห็นทำไม่ใช่บรรลุธรรมแต่บรรลุขั้นต้นคือเข้าไปสู่กระแสมรรคขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมรรคแต่ไม่ไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกสมองเราไม่รู้มันโง่ แต่จิตมันรู้เองพอเปิดประตูให้มันปุ๊บมันไม่ใช่แค่โสดาปฏิมากรอหลับเปิดประตูนี่โสดาปฏิมากรแต่บางทีเป็นอนาคามียอะไบางทีเป็นอัลลฮันเลยทีเดีย ว, วเข้าใจหรเปล่าเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆให้เราไปเข้ากระแสก็แล้วกระแสะมานะก็อย่าไปคิดเอาเองว่าจะศรัทธา 100% หรือเอาศรัทธา 99% เก็บไว้อันนึงเพื่อการเผื่อเหลือ <laughs> ก็ศรัทธาเท่าที่เราศรัทธาแต่คิดเอาเองไม่ได้เนาะโอ้ยศรัทธาศรัทธาตายเป็นตายพอนั่งปุ๊บเนี่ยเห็นหน้าผีมันจะหลอกกูไม่เอาดีกว่า <c oughs> นั้นเราจะรู้ว่ามันศรัทธาจริงหรือเปล่านั่นหมายถึง้ยเจ็บนิดหนึ่งวันไม่เอาดีกว่าพวกนี้ปฏิบัติได้เราจะรู้ว่าศรัทธาแค่ไหนอย่าไปคิดเอาเองนะว่าเป็นร้อย้อยเปอร์ซนันนั้นนั่นนึกเอาเนาะคือรู้ธรรมเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราไปฟังธรรม แล้วก็เข้าใจไม่เข้าจิตอันนี้เรียกว่าคนรู้ธรรมรู้ธรรมต้องทําให้มันเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นจิตธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงในตัวเรามีความจริงอย่างเดียวคือจิตเราเห็นธรรมแล้วนะเห็นธรรมแล้วต้องทำยังไงก็ต้องทําให้มันรู้ธรรมต้องให้มั น, มนรู้ธรรมทีนี้มันรู้ธรรมก็มี สี่คู่แปดบุรุษนะสมควรแก่ศั ก, กระและบูชาเขาก็แยกแยะว่าเป็นเป็นอุณหภูมิเป็นระดับของมันนะแต่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นว่าระดับไหนจิตเดิมเรารู้เองนะทีนี้เมื่อรู้ทำแล้วทำให้มันเห็นทำเห็นทำแล้วก็จเจริญมักนะมันเกิดผล ผลสูงสุดก็คือนิพพานก็บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ทำเพราะธรรมเวลาที่เหลือดทำเพราะธรรมแค่รู้ธรรมเฉยๆก็ไปประกาศทำแล้วนี่อันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวทำมันจะเลอะเลือนคุณไม่รู้ธรรมคุณจะปฏิประกาศไปไปไปประกาศธรรมได้อย่างไรนะคุณไม่รู้คุณยังไม่เห็นธรรมคุณจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรมีแต่ฝึกสมาธิฝึกสติเฉยๆ นะมาถือศีลอะไรเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นมาถือศีลอันนั้นมาฝึกสมาธิมาเจริญสติยังเรียกปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะคุณยังไม่เห็นธรรมเห็นธรรมคุณต้องเห็นจิตก่อนจิตอิสระแล้วเนี่ยจิตก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญมรรคเรียกว่ามรรคจิตปฏิบัติแล้วจนมันบรรลุธรรมทีนี้บรรลุมันก็มีหลายหลายๆระดับนะสมัยพุทธกาลเนะ่ยเห็นไหม ฟังผู้เจ้าเทศปุ๊บทราบซึ่งจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมผู้เจ้าถึงบวชให้บวชแล้วไม่ให้ไปไหนปฏิบัติจนบรรลุธรรมแตกฉานก่อนค่อยให้จารึกไปประกาศพ ม, มจรรันชี้ทางคนทุกให้สัตว์โลกแต่ทุกวันนี้แค่เรียนจบประเรียนเก้าจบแค่ด็อกเตอร์จบแค่ด็อกเตอร์จะไปเผยแร่ธรรมเผยแร่ธรรมไม่ได้นะธรรมมันจะเลอะเลือน เรารู้ธรรมเราต้องทำให้มันเห็นธรรมนะก็เริ่มจากสมาธิสมถะกรรมฐานสร้างพลังนะบางคนใช้วิธีฌานนั่งฌานให้มีพลังแล้วเข้าไปในจิตในจิตพอเข้าไปในจิตในจิตแล้วเราเห็นธรรมแล้วจากนี้ไปเราก็ปฏิบัติธรรมได้คือจเจริญมรรคจิตได้แต่ตอนนี้เราไม่เข้าถึง มวลจะเจริญสติเจริญสติเห็นไหมครูบาอาจารย์เราบางทีจะเจริญ ส, ต, าาญสติ38มสิพันสาแล้วไปไหนล่ะแล้วมันจะเปไหนล่ะหลวงพ่อชาเตือนอยู่เรื่อยนะมวลจะทือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนก็ไปไงก็ไปแต่งงานไงก็มวลจะเจริญสติไม่ปฏิบัติธรรมพรากครูเคยเล่าหลายครั้งแล้วล่ะแต่ต้องเน้นบ่อยๆ มีพระ อ, อาจารย์เซนท่านหนึ่งถูกนิมนต์ไปแสดงธรรมพอไปถึงปุ๊บพระคุณเจ้านั่งเป็นร้อยรูปนั่งหลับตานั่งสมาธิท่านหมกมุยจนมั่งดูทําไมทําไมไม่ปฏิบัติธรรมทุกคนงงก็นั่งปฏิบัติธรรมไงลืมตามองนั่นน่ะพระ อ, องค์นั้นกาลังปฏิบัติธรรมอยู่นั่งนอนกวยเปยอยู่นั่ะเราเข้าใจว่าเรานั่งหลับตาคือปฏิบัติธรรมเหรอ คุณยังไม่เห็นธรรมคุณปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเราเข้าใจผิดหมดเลยนะบอกไปไหนไปจําศีลอยู่ที่วัดถือศีนแปดหิ้วตะก้าหมากไปด้วยนะเห็นไหมบางทีมที่บอกว่าที่ว่ามือถือสากปากถือศีนคืออะไรก็ไม่ถือศีนแปดไงแต่มือก็จับศากระเบือตําห ม, มากแล้วก็เคี้วก็ไม่พอ นินทานนคนนั้นคนนั้นคนนี้เขาบอกไปปฏิบัติธรรม <c oughs> นี่คือมือถือมือถือสากปากถือศีลไงบ่นไปด้วยนินทาแล้วก็ก็ตำห ม, มากไปด้วยเราเข้าใจว่านั่นคือไปปฏิบัติธรรมยังไม่เห็นธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมยังไม่ได้เราต้องเปิดให้จิตอิสระจิตเขาเขามีโอกาสเจริญมรรคจิตเดินทางต่อเ น, นี่ยคือเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือเจริญมรรคผล นิพพานเราไปติดขบวนการอุบายวิธีเนี่ยเพราะว่าเราจะเข้าไปในจิตไม่เป็นนะเราต้องเริ่มจากสัมมาทักษมาฐานนะฝึกสมาธิให้มันมีพลังให้มันดูดจากแรงดึงดูดของอายตนะโดยเฉพาะไอ้ใจเนี่ยร้ายมากจิตใจใจมันดึงจิตไว้เวลาเรานอนหลับมีสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่มันหลับไม่ได้มันหยุดไม่ได้ก็คือหัวใจเต้น มันต้องหายใจเห็นไหมมันก็เป็นพลังอย่างงานอย่างเดียวนี่ที่มันดึงจิตเราไว้นะจิตไม่อิสระไงเขาเรียกว่าจิตใจเนี่ยเราเข้าใจว่าสิ่งเดียวกันไม่ใช่นะจิตก็จิตใจเข้าใจเห็นไหมไอ้ใจนี่คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปัม๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นโกดังเก็บอารมณ์แต่มันปั๊มได้มันเต้นได้เพราะมโนวิญญาณนะคือพลังจิตตัวมโนวิญญาณทําให้มันเต้น แต่จิตก็ถูกดึงไปอยู่กับมันด้วยเรามาปลดปล่อยจิตให้หลุดพ้นจากการเป็นทาตของใจที่มันมุ่นวุนมันเบียงเบียงนี่เรามันมุนหมุนเนี่ย เ, เรารู้ได้ยังไงว่ามันออกมาจากใจแล้วเนี่ยนะ <S <S พ่อครูมาอเมริกาใหม่ๆพ่อครูลองแต่ลองแล้วว่าเมืองไทยลองไม่ได้เขาเกิดทิฏฐิมานะ <S <S <S พอนั่งมุนจริงบ้างไม่จริงบ้างนะออตอนนั้น เที่ยงคืนเราก็ไม่นอนนะเราเอาจิงริงจังๆพรกวูตีละครังออกไม้นี่เปีย้ยงตกใจหมดเลยโกรธนม่สมาธิเลอแต่ถ้าเราหมุนหมุนมุนอยู่เนี่ยมันตกจิตไม่ตกใจเพราะจิตมันออกมาหมุนมันไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างแล้วเห็นไหมเวทนาไม่เกิด ไม่ต้องถึงขั้นลุดพ้นดวงใทาเพราะฉะนั้นจิตมันกำลังหมุนอยู่เนี่ยตีระฆังแก้งตกจิตไม่ตกใจ<า>นั่นนะเราพยายามปลดปล่อยให้จิตมันอิสระจากใจรูปเกิด น, นะเวทนาเกิดขึ้นที่ใจเสียงเขาด่าเราคือรูปตัวได้ยินเสียงคือ น, นา ม, มันเกิดมันก็ดับนะแต่ตอนนี้มันไม่ดับที มันส่งกระแสมาให้จิตจิตมันก็กระทบใจนะมันก็ไม่พอใจแต่ถ้าจิตเรามันดุดออกมาจากใจแล้วเนี่ยมันก็ส่งไปให้จิตนะมันตกจิตไม่ตกใจลูกเกิดก็ดับมันไม่ปรุงต่อเวทนาไม่เกิดนะไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเอาแค่เราเหวี่ยงแรงๆตอนนั้นน่ะนะบางทีตีระครังอยู่ข้างหูนี่ก็ไม่ไม่ตกใจ มันแยกจิตได้กับใจนะก็ต้องเริ่มจากศรัตนั่นแหละได้จะไปะบอกว่าร้ออแล้วบอกว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงมันร้อยเปหรือเปล่าอีกแล้วถามอีกแล้วใช่ไหมละ่ะก็ทาเท่าที่เราทาได้ทาไปเถินะขอให้ตั้งมัน่นนะรู้ทำต้องทาให้เห็นทำเห็นทำแล้วต้องทาให้บรรลุธรรมพอมันรู้ธรรมแล้วก็ทำเพราะธรรม ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพราะอยากทำอยากดังนะทำาไมหนูไม่รู้สึกร้อน ท, ทั้งทั้งที่เหงื่อออกหนูไม่ร้อนไม่เหนื่อยคืออะไรคะก็คือไม่ร้อนไม่เหนื่อ ย, ยอะไรก็ไม่รู้บางทีพอร้อนมากก็อ้างว่ามันร้อนเย็นนักก็มาอ้างว่ามันเย็น พอมันไม่ร้อนมันไม่เหนื่อยก็มาถามอีกว่าทำไมไม่ร้อนไม่เหนื่อยอยากร้อนเหนอยอยากเหนื่อยเหนือนี่แหละสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเมื่อมันร้อนเราไม่ไปใส่ใจมันเราไม่ทุกข์เลยเห็นไหมที่เราทุกข์เพราะเราไม่พอใจไงเราชอบเย็นมัาเป็นอุปทานทั้งนั้นแหละอันนี้คือว่าจิตมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นล้รู้ว่ามันร้อนเอาก็ร้อนแล้ว ย, ยังไงละ่ะก็ไม่จาเป็นต้องทุกข์ใช่ไหม เห็นถ้าเราไม่ไม่กังวลนะเราจะไปเหนื่อยตามมันน่จิตมันไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่เนื่อยอยู่ที่ใจถ้าเราลองใช้สมองเส็มทีเต้นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะเหนื่อยใจขาดถ้าใจมันทำนะแต่จิตมันทำแล้วมันจะเหนื่อยได้อย่างไรนี่แหละเราฝึกเรื่อยๆนี่คือความก้าวหน้านี่คือผลของมันนะร้อนก็ไม่ทุกข์ เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนี่แหละคือสักแต่ว่ารู้สักแต่วเห็นตอนที่เรายังยังไม่แข็งแกร่งเราก็สักแต่วารู้สักแต่เวนเมื่อเราแข็งแกร่งแล้วเนี่ยรู้เฉยเฉยไม่ต้องสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นการเตือนสติว่าอย่าไปติดมันแต่ถ้าจิตมันหลุดพ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องสักแต่ว่ามันรู้เฉยเยรู้ก็เหมือนไม่รู้ไม่มีผลสาหรับเรา อันเนี้ยคือรู้เฉยๆนะรู้ก็เหมือนไม่รู้แต่ถ้าเรายังมีมีเวทนามีอะไรอยู่มีความอยากเนี่ยก็เอาตัวสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนี่มาเตือนเรานี่เขาทาได้เลยนะอะมันร้อนแต่หนูไม่ร้อนมันเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเห็นหมมันคืออะไรก็คือว่ามันไม่ร้อนคือมันไม่เหนื่อยเนาะดิฉจะอธิบายให้เป็นรูปร่างหน้าตา ย, ยัางไงไห ม, หไหมก็เพราะเราไม่ไปรู้สึก รู้อารมณ์แต่ไม่ไม่เป็นอารมณ์นั้นก็รู้เฉยๆนะอันนี้คือผลที่เราปฏิบัติอินทรีพร ะ, ะคืออะไรคะและจะเพิ่มกำลังมันได้อย่างไรคะต้องการรู้หมดเลยมันแปลว่าอะไรอะไรพวกนี้นะนะก็อินทรีพร ะ, ะมันก็คืออินทรีห้าพร ะ, ะหศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานะเมื่อกี้ถามบ๊กูหลสศรัทธาต้องเอากี่เปอร์เซน็นตะ์เนาะ ยังมีต่อรองอีกนะเผื่อขาดเผื่อเหลือเนาะหนึ่งเก็ไม่พอนะศรัทธานี้ต้องมาหลายชาติแล้วนะแม้กระทั่งอาจารย์อ้อยเนี่ยแกแกบอกสมองแกไม่ได้ศรัทธาไงแกนักวิยาศาสตร์แกอย่ไปเชื่ออะไรง่ายง่ายเห็นไมแล้วทำไมแกเจ็บตั้งหลายครั้ง17บ็ครั้งไม่หนีจิตมันศรัทธาไงอันนั้นตเต็มร้อยหระคาาเตข้างนอกมันไม่รู้หรอกไม่ต้องหารู้ว่า ถ้าไปคิดเราจะงงนะเอ้ยฉันไม่ศรัทธาเลยทำไมฉันไม่หนีปางตายเลยนะแต่จิตคําว่าศรัทธาจิตมันไ ม, ไม่จะเกิดจากความเชื่อนะมันไม่ใช่ความเชื่อหยาบหยาบมันเป็นศรัทธาเป็นบา ร, รมีเก่ามาตั้งแต่อดีตยิ่งทําก็ยิ่งเห็นผลเนี่ยศรัทธาก็ยิ่งมากขึ้นความเป็นมีวิริยะก็มากขึ้นสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็แก่กล้าขึ้นมันก็กลายเป็นพระอินทรีย์พระ กำลังก็มากขึ้นเมื่อกําลังมากขึ้นก็ปฏิบัติได้คล่องขึ้นได้เร็วขึ้นเหมือนเราวิ่งไม่เคยวิ่งแรกๆวันแรกก็ลิ้นห้อยเลยวิ่งไม่ได้แค่กิโลหนึ่งก็ก็ไม่ไหวละอา้าวพอเราไม่เลิกเรามีศรัทธาเราวิ่งอีกนะทีนี้เป็นสองกิโลเห็นไหมพรุ่งนี้เป็น3กิโลเห็นไหมเพราะกำลังมันมากขึ้นมันก็วิ่งได้ได้เร็วเร็วมากขึ้นนี่แหละคือคําตอบว่าจะเพิ่มกําลังมันได้อย่างไร พอเราออกกำลังกายบ่อยๆเราก็แข็งแรงร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเราออกกำลังจิตบ่อยๆจิตก็แข็งแรงคําว่าอินทรพละเป็นกำลังของจิตนั่นแหละแล้วออกกำลังจิตทำยังไงก็คือมรรคผลนิพันธ์ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ประพฤติพรหมจรรย์คืออะไรใช่ถือศีลแปดหรือเปล่าคะศีล8ศีลแปดเป็นแค่ตัวเตือนสติให้เลาะเว้นความชั่วทนั่นเอง การประพุทธพรมจารย์ต้องทำดีด้วยแล้วก็ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสด้วยนะทีนี้มันเป็นมันเป็นภาษาวิชาการนะเดี๋ยวพว่อ ก, กูก็จะอธิบายให้ฟังพรมจารย์นเนี่ยในทางวิชาการแปลว่าการศึกษาปลมัดการศึกษาพระเวทการถือพลที่เว้นจากเมถุน การบวชที่เว้นจากเมทุนการประพฤติ ธ, ธรรมที่ประเสริฐการคลองชีวิตที่เว้นจากเมถุนนะเสพเมถุนนะอันนี้คือคื อ, ค, อคือเข้าๆส่วนพรมจันทร์ทั่วไปหมายถึงการคลองชีวิตอย่างประเสริฐโดยการงดเว้นจากเมถุนคือการมีเพศสัมพันธ์การถือบวชโดยไม่คล่องแวะเมทุนเด็ดขาด มุ่งปฏิบัติตามศาสนาเพื่อบรรลุมรคผลอย่างเดียวเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าประพฤติพร ม, มจรรย์พร ม, มจรรย์เป็นอุบายวิธีออกจากกามและงับความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดจากการหมกมุ่นอยู่ในกามเป็นเหตุให้จิตสงบและบรรลุมรคผลได้ง่ายนะพรม พร ม, มจารีหมายถึงผู้ประพฤติพรมอาจารย์ผู้ประพฤติเหมือนตมนะพรมวิหารก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมพรมนี่ไม่ใช่ถือสินแปดอย่างเดียวนะศินแปดคือละเว้นพรมต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องมีการกระทําเกิดขึ้นโดยการให้เห็นไหม ละชั่วไม่พอต้องทำดีด้วยก็พ ม, มจารีเนี่ยในคำวัดคำวัดคือคำทางศาสนาเนี่ยหมายถึงบรเพชิตและผู้ถือพจน์หรือถือบวช ด, ด้วยการคองชีวิตอย่างประเสริฐคืองดเบ้นจากเมถุนธรรมไม่คล้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด มุ่งปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเท่านั้นพร ม, มจารีเป็นคำที่ใช้สำหรับบุรุษหากเป็นสตรีเรียกว่าพร ม, มจารินีพรนะ ม, มจารีเนี่ยในคำไทยในคำไทยคือภาษาโลกโลกนะใช้หมายถึงหญิงที่ยังบริสุทธิ์ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์คือสาวพร ม, มจารีนั่นแหละนะเห็นไหมคำเดียวกันเนี่ย มันแปลคนละเรื่องถ้าพร ม, มจารีในในใ น, ในภาษาธรรมในภาษาศาสนาหมายถึงผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นภาษาโลกเนี่ยพร ม, มจารีหมายถึงผู้หญิงบริสุทธินะ์คือสาวพร ม, มจารีทีนี้คำถามต่อไปเนาะ สํารวมในปาติโมก ค, คืออะไรคนนี้สงสัยเป็นนักวิชาการเนาะชอบรู้ภาษาวิชาการอยู่เรื่อยอปาติโมกหมายถึงธรรมที่ทำให้ผู้รักษาพ้นจากกิเลสเศร้าหมองมีตัณหาเป็นต้ น, นทมเป็นที่พ้นจากอบายแห่งผู้รักษาทมเป็นที่อาศัยพ้นจากอาบัตเรียกว่าปาติโมก นะอันนี้ก็ก็เป็นมุมหนึ่งส่วนปาติโมกข์อีกมุมหนึ่งคือคำภีเป็นที่รวมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธานานะอันนี้เป็นภาษาวิชาการเนาะสำหรับพระสงฆ์ถือศีลสองยิข้อของภิกษุณีของภิกษุนะและ ภิกษุณีคือ311ข้อนะของภิกษุณีปาฏิโมกมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเรียกว่าสวดปาฏิโมกวันที่สวดเรียกว่าวันปาฏิโมกหรือวันอุโบสถสำรวมในปาฏิโมกรวมลงแล้วก็คือสำรวมระวังไม่ให้ทำผิดศีล วิัยนะพระภิกษุคือ227ยิภิกษุณี3 1มสิเเพื่อป้องกันไม่ให้สร้างกรรมใหม่และเป็นอุบายทำให้ลดละเลิกกิเลสตัณหาอุปทานนะก็เมื่อวานนี้พ่อครูให้พี่แอดเขาฉายก่อนที่เราจะดูภาพยนตร์พระเจ้านะ ก็ไปท่องอินเดียไปสัมผัสเกิดแก่เจ็บตายหลายปีก่อนพ่อครู20ปีไม่ไปไหนพอถึงเวลาบอกไปข้างนอกเลือกอินเดียเลยเขาก็พาพ่อครูไปไปสี่สังเวชปะสูตรตัสลุปปรินิพานพ่อครูไปสัมผัสสังคมที่นุ่นเขามีชั้นวันนะ ไอ้ที่จนก็จนติดดินจริงๆที่เราใช้น่ะเกิดมาคนจนแปบไหมคนจนแก่เป็นยังไงเจ็บยังไงตายยั ง, ไ, งไปเห็นเรียบร้อยเลยเหรอเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะครูก็ตั้งโจทย์ว่าเออคนคนคนในอดีตเขาพูดเล่นๆนะก็บอกเจองูก็เจอแขกตีอะไรก่อนก็บอกต้องตีแขกก่อนไม่ใช่แขกชั่วนะเป็นคนไม่ใช่ไม่ดีนะ ประชากรเขาเยอะความยากจนเขานี่เขาต้องเอาตัวรอดเขาทาทุกรูปแบบที่เขาจะได้นะมันเลยกลายเป็นว่าไปที่ น, นู่นพวกพวกูว ก, ว ก, ก็บินตามไปนะตั้งแต่นั่งรถในสนามบินแล้วก็ถูกเขาแบบไม่มีแบบไม่ค่อยมีสัจจะทีนี้พะกูตั้งโจทย์ว่าทำไมพระพุทธองค์นี่เลือกมาเกิดเลือกมาประสูติในประเทศอินเดีย พระครูไปได้คำตอบตรงนั้นอยู่ที่นูนเห็นทุกชัดมากเจ้าชายยุทธะพระ อ, องค์ไม่ได้ทุกอะไรนะเกิดมาในมหาปราสาทราชมนเทียนมีครอบครัวที่อบคุนสมบูรณ์ทุกรูปแบบพระ อ, องค์ไม่ได้ทุกบารมีเก่าทําให้พระ อ, องค์เห็นทุกขเห็นไหมที่บอกว่าเห็นเทวทูตทั้งห้านะอันนี้เทวทูตในภาพยนต์นะ แต่เราดูไอ้ที่เราฉายให้ก่อนเห็นของจริงๆเลยนะไปอินเดียเที่ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้นะในขณะที่ในเมืองหลวงเนี่ยคนรวยก็รวยแบบระดับโลกเลยนะคือชั้นวันณะชัดมากแต่บังเอิญระดับล่างเพราะกูไปสัมผัสนะพวกนี้เนี่ยเขาขับลบใครนะเขาเขับลบ เขาเป็นขอทานหมดนะเขากลา่าวไหวใครนะที่เป็นชูชกนะเขานับถือชูชกมากเพราะชูชกมีวิชาขอเก่งขอพระเวสสันดรขอกัญหาชาลีให้เลยคนพวกนี้ไหวชูชกเพราะมันมีเทคนิคในการขอขอทานเยอะที่สุดในโลก ถ้าเราไปนี่นเราให้คนหนึ่งไม่ให้มันวิ่งออกมาเป็นรอยๆเลยนะแล้วในในหมู่บ้านนั้นน่ะอาชีพเป็นขอทานอย่างเดียวเขายินดีเป็นขอทานเขายินดีเป็นขอทานนะวัฒนธรรอย่างนี้ยังมีเยอะมากนะแล้วแล้วที่เขาทำสารคดีนี่เขาเจาะลึกเข้าไปเห็นไหมห้องแคบๆสองคูณสามเนี่ยอยู่กันเจ็ดแปดคน ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องส้วมไม่มีน้ำปลาปาอะไรเนี่ยผมว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนีย่บุญเยอะมากล่ะถึงจะจนก็ช่างอยู่ในชนบทก็ไม่ใช่อย่างนี้ในน้ำมีปลาในานามีข้าวนั่นแหละคำตอบว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไปเลือกประสูติที่ น, นู้นสังคมที่นู้นเห็นทุกชัดมากนะก็ไม่เห็นทุก็กไม่เห็นธรรม ก็พระองค์ทุกข์เนี่ยพระองค์ทุกจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ทุกอะไรแต่เกิดความทุกเพราะพระองค์ไปเห็นทุกพระองค์มีเมตตาพี่พองค์มีเมตตามากทําให้พระองค์เศร้าทําไมโลกมนุษย์ถึงเป็นอย่างนี้เข็นฆ่ากันปลาใหญ่กินปลาเล็กคนไม่มีจะกินก็ไม่มีจะกินเกิดมาเด็กๆเกิดมาเนี่ย ก็อยู่กับผู้ใหญ่ร่วมกันน่ยนะบางบ้านก็เลี้ยงนมแพะก็เลี้ยงในที่ที่นอนด้วยกันนั่นแหละนันะก็ที่พระพุทธเจ้านี่เจ้าชายยศฐานนี่ทุกเพรา ะ, ะพระองค์เศร้าเศร้าพระพระองค์ไปเห็นทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้สุดท้ายพระองค์ก็เห็นเขาเรียกว่าเทวทูต ท, ทั้งห้านะนอกจากเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วเนี่ย อันสุดท้ายก็คือมาเห็นนักบวชเหมือนเหมือนให้พระ อ, องค์ตอบโจทย์ว่าให้พระ อ, องค์ตัดสินใจไปเป็นนักบวชพระ อ, องค์เศร้าเศร้าเพราะเห็นทุกเห็นทุกจึงสแสวงหาโม ก, กะธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วจึงเจริญธรรมคือเจริญมรรคเมื่อบรรลุธรรมแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วจึงพ้นทุกเมื่อพ้นทุกแล้วจึงชี้ทางพ้นทุกให้สัตว์โลก แต่ตอนนี้เรายังไม่พ้นทุกข์เลยแค่ไปอ่านหนังสือสามสี่รอบเป็นแค่ด็อกเตอร์แล้วก็ไปไปชี้ทางผลทุกข์ให้เขาในขณะที่ตัวเองยังไม่พ้นทุกข์ธรรมะมันจึงเพี้ยนหมดไงนะพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณและปัญญาคุณเต็มเปี่ยมอย่าไม่มีใครบางอาจจะไปเปรียบเทียบเับเขียนหนังสือว่าไอสไตน์พบพบระพุทธเจ้าเห็นไอสไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบอะไรเนี่ย ถ้าพูดภาษาโลกโลกไงไง่ายๆบังอาจถ้าจับคู่มวยเป็นคนรุ่นนะไอสไตน์ก่อนจะเสียชีวิตนะเป็นวิกลจริตเป็นบ้าเพราะไปติดบ่วงความคิดที่ละเอียดแล้วออกมาไม่ได้ผู้เจ้าไปเห็นนะเห็นกฎเห็นกรรมเห็นอริยสัจสีเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะพระองค์เลิกคิด ความคิดทำให้เราแคบเราไปเจาะเรื่องเดียวนะมันเป็นแค่องความรู้มันไม่ใช่ปัญญานะก็รู้ธรรมก็สแสวงธรรมให้มันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมนะที่บรรลุธรรมเนี่ยก็มีสี่คู่แปรหรืออยู่ที่บรรลุระดับไหนนะ แล้วก็ประกาศธรรมชีนน้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกที่เรียกว่าประกาศพมอาจารย์นะเราต้องถือพมอาจารย์ก่อนเมื่อเราชํานาญแล้วเราค่อยรู้ว่าการประกาศพมอาจา ร, ร์เนี่ยต้องประกาศอย่างไรถ้ า, าพมอาจารย์เราไ ม, ไม่สมบูรณ์เนี่ยมิจจะไปท่องอ่านหนังสือแล้วก็ไปชี้ทางประกาศภมอาจารย์แล้วเนี่ยพมอาจา ร, ร์ ม, มันก็เลอะเลือนนะคำถามที่ว่ า, าพมอาจารย์คืออะไร ก็พวกเราก็ถือว่ามีบุญกุศลมากมายนะไม่งั้นไม่ได้เกิดมาในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดมาใร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าไม่มีบุญเยอะเลยก็ไม่ได้เจอคําสอนที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์แล้วถ้าไม่มีบุญเยอะมากเลยก็ไม่เจอไอ้หนทางตรงๆ ไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะถ้าไม่ถึงเวลามันไม่เกิดขึ้นเห็นไหมเราไปติดบ่วงเดินทางอ้อมอยู่ตรงนั้นแหละนะติดบ่วงความรู้แบบวิชาการแปลถูกแปลผิดตีความเข้าข้างที่ติมรณะของคนตนเองก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะเห็นไหมเราต้องทําให้ตัวเองแตกฉานก่อนแล้วค่อยรู้ว่าเออสิ่งที่เราทํามาเนี่ย มันถูกตรงไหนมันคาดเครื่องตรงไหนแล้วเราจะชี้ทางคนอื่นจะไม่ได้ไปหลงเหมือนเราเห็นไหมพระพุทธองค์ต้องลองก่อนนะพระองค์ลองทุกกรรคิริยาทรมานสังขารอยหกพันสาเห็นไหมพระพองค์ถึงไปค้นพบทางสายกลางว่าไอ้นั้นมันสุดตรงและพระองค์ไม่เคยสอนให้เราไปทรมานตัวเองอีกต่อไปเห็นไหมพระองค์เป็นผู้เสียสละ เราถึงว่าบุญเยอะมากเลยเกิดมาเจอแล้วไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรแต่ว่าชะล่าใจว่าเออเมื่อไหร่ก็ได้พอเจอแล้วนะรอกะเกษียณก็ไม่เป็นไรนะหารู้ไหมว่ากเกษียณมันไม่มีพลังแล้วนะบางคนตายก่อนกเกษียณด้วยนะนี่คือความประมาทเห็นไมรู้แล้วเห็นแล้วพวกเราถือว่าเห็นธรรมแล้วนะพวกเราเห็นแล้วถ้ายังไม่ปฏิบัต ให้มันบรลุธรรมนี่อันนีก้ก็ตัวใครตัวมันเห็นไหมพระพุทธองค์เนี่ตัดว่าหนทางแห่งพุท ธ, ธะมีจุดอ่อนจุดอ่อนสองอย่างคือไม่เริ่มเดินทางสองเดินถึงขึ้นกลางทางขึ้นกลางๆไม่เดินต่อไปติดบ่วงอภิญญาน้อยหนึ่งโอ้ฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะไปสร้างลัทธิขึ้นมานะ นะเพื่อเพื่อต้องการมวลชนเพื่อหาสตังนั่นแหละเทวทัศน์ก็เป็นแบบนี้ปฏิบัติระดับหนึ่งได้อภิญญาแปงลงร่างได้ด้วยก็เป็นหลวงอภิญญานั้นจะเอาอภิญญาตัว น, นั้นไปสร้างศรัทธาไปหลอกคนอื่นก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนไงนะก็บังเอิญสังคมยุคเราเนี่ยเกิดมายุคหลังสงคารามมอสุองเนี่ยเขาตั้งโจทย์ทุนนิยมแข่งขันเสีดี ความสุขเกิดจากการบริโภคเกิดจากการสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกสุขเงินก็นเลยเป็นพระเจ้าทุกคนก็เรียนเพื่อมุ่งหาเงินนะเมื่อกี้ก็แวบขึ้นมาพอพูดถึงเรื่องนี้นะมีคำพังเพยของคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้อูดเนี่ยไปลอดรูเข็มเนี่ยเป็นเรื่องยาก แต่จะทําให้เศรษฐีนี่ขึ้นสวรรค์นี่เป็นเรื่องยากยิ่งกว่าอา้าทําไมอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นก็อยากรวยก็รวยแล้วไงแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะยากยิ่งกว่าเพราะทุกคนมุ่งมั่นไปหาเป็นจะเป็นเศรษฐีทําเมื่อไหร่มันจะเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะรวยเท่าไหร่มันไม่มีขอบเขตไง ก็เริ่มจากเราอยากเป็นเศรษฐีเราเกิดจากเรามีตันหาอยากอยู่แล้วเนี่ยเออพอมันได้ขนาดนี้สร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นมองขึ้นไปข้างๆมันมีร้อยชั้นแหะเฮ้ยชั้นยังไม่เป็นเศรษฐีเลยมันรวยกว่าชั้นแล้วก็บ่มเพาะให้อาหารตัวปัญหาตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วก็สร้างกรรมเบียดเบียนตัวเองเบียดตัอื่นขึ้นไปแล้วจะไปสวรรค์ง่ายไหมเนี่ยเขาถึงตั้งคําเพลินเผยว่าอูดนี่ตัวใหญ่ไหมให้มันลอดลูเข็มยังง่ายกว่าเอาเศรษฐีขึ้นสวรรค์นะ แต่ไม่ใช่เศรษฐีเป็นคนดีคนชั่วนะเพราะครูบอกแล้วถ้ามันจําเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันแต่ถ้ามันจําเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรวยเพื่อจนแต่ถ้าเรารวยปุ๊บเราต้องเพิ่มความอยากต้องกระตือรือร้นปลุกไฟปลุกยักษ์ขึ้นมาดิ้นลิ้นลินโ ล, ล, ลนเนี่ยทรมานตัวเองและในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติว่าในโลกมนุษย์ เรามีทรัพยากรจำกัดเห็นหแต่บังเอิญเขาเป็นเศรษฐีเขามีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดแรงมากดูดเข้าตัวเขาไปหมดเลยเขาเหลือเฟือแต่เขาไม่พอยังกักสวกุลนในขณะที่คนอื่นไม่มีจะกินอันนี้เป็นกรรมนะแล้วคนสร้างกรรมขึ้นสวรรค์ได้ไหมเยาว่านิพานเลยห่างไกลนั่นแหละ จะท่งเศรษฐีไปบนสวรรค์นี่ยากกว่าอูดลอดกุลูเข็มยุคนี้เนื่องจากว่าเกิดมาเขาก็สอนว่าต้องรวยก่อนค่อยสุขแล้วแค่ไหนเรามันรวยละ่ะรวยาปว่ามีเหลือล้นพอแล้วมีใครพอไหมคนที่หนึ่งในโลกยังไม่พอเลยเห็นไหม จนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกจนไปว่ามีน้อยไม่ได้แปลว่าทุกถ้าคนยังไม่พอแสดงว่าตัวเองยังจนอยู่ยังไม่รวยแล้วก็ต้องกระเสือกกระสนไม่มีวันสงบเลยเพราะกลัวที่จะคนอื่นจะแซงหน้าหรือกลัวว่าจะไม่รวยเหมือนเขาและอารมณ์แบบนี้ขึ้นสวรรค์ได้ไหมเพราะกูถึงเตือนบ่อยๆว่าความรวยไม่ใช่ความผิด แต่ถ้าหลงรวยเมื่อไหร่เนี่ยเข็นขึ้นสวรรค์ยากมากยากกว่าอูดมันจะลอดรอดดูเข็มด้วยนะเห็นไหมเพราะสังคมมันสร้างระบบแบบนี้ไงกว่าจะรวยได้ต้องสู้ตายเห็นไหมแล้วบางทีรวยมาแล้วก็เอาเงินมารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งแล้วความรวยเราเนี่ย เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีจริงอยู่แล้วกรรมชี้เจตนาแต่ความอยากเราทำให้เราต้องสู้ไงต้องสร้างเครื่องดูดฝุ่นใหญ่ๆดูดมาเข้าตัวเราหมดไงคนอื่นไม่มีจะกินช่างมันเห็นไหมคนที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารน่แสดงว่าเขาเดือดร้อนแล้วก็ไปบวกดอกเบีย้ยซ้ำเติมเขาอีกมันเป็นการทาบุญหรือทาบาปโอ้ฉันให้เธอยืมมานะฉันช่วยเธอลนะ ช่วยก็ให้มันยืมฟรีสิธนาคารอิสลามเขาไม่คิดดอกเบีย้ยนะเขาเป็นหุ้นส่วนกันแต่ถ้าโครงการนี้เขาบอกว่ามึงทำมึงขาดทุนเนี่ยเตือนว้ามึงอย่าทำซะทุกวันนี้ไม่รู้ละ่ะได้เสียไม่รู้แหละฉันเอาเธอก่อนเมื่อเราเริ่มต้นลงลงทุนโดยเสียดอกเบีย้ยต้นทุนมันก็สูงกว่าคนอื่นจะ อ, อะไรไปสู้เขาเนี่ยคือทุนนิยมไง นะคนพวกนี้เข็นขึ้นสวรรค์ยากมากเราไปช่วยอูดมันลุดรอดลูเข็มก็ยังง่ายกว่าเนาะอันนี้คือคำพังเพยของคนโบราณเขาเอาจิตที่บริสุทธิ์มาพูดความจริงชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะสร้างความรวยพวกครูถูกหลอกไป4ี่สปีต้องสะดวกแล้วก็ค่อยสบายสบายแล้วรู้สึกสุข ก, กว่าสะดวกได้เนี่ยเรียนแทบตาย หาเงินแทบแย่เอาเงินมาซื้อเทคโนโลยีค่อยรู้สึกสะดวกแล้วค่อยสบายเห็นไหมทุกเพราะอยากสุขเห็นไหมทุกเพราะอยากสบายแต่26ปีมาอยู่ที่นี่เนี่ยสบายโดยไม่ต้องสะดวกได้คุยกับพวกเราก็สบายสบายนั่งอยู่คนเดียวก็สบายไม่มีเวลาไหนมันไม่สบายเห็นไหม อันนี้อย่าว่าเข็นขึ้นสวรรค์มันง่ายเลยนะไปนิพพานก็ง่ายเนาะก็มันตัวเบาไงฮะพราครูเคยบอกว่าทางไปนิพพานเนี่ยเหมือนกระดาษขาวใบหนึ่งเอาเข็มเจาะป๊อกเห็นไหมบางทีอูฐมันมีอิทธิฤทธิมันมันย่อตัวมันเล็กๆ็กมันก็รอดได้นะแต่เศรษฐีจะแบกทรัพย์สินไปด้วยได้ไหมมันไปไม่ได้ อย่าว่าจะไปนิพผานนลยขึ้นสวรรค์ก็ไม่ได้เห็นไหมไปไปขึ้นเครื่องบินทุกวันนี้น้ําหนักต้องทุกคนอย่าเกินแค่นั้นแค่นี้นะอย่างมันจะไม่งมันลอยไม่ขึ้นนะถ้าทุกคนเอามามากมาหมดเลยเครื่องบินตกนะเห็นไหมแล้วจะไปสวรรค์แล้วจะเอาไปกี่กิโลได้เหรอน้ำหนึ่งก็เอาไปไม่ได้นะเราค้ากําไรเกินควรนะเราเกิดมาตัวเป่าแล้วจะแบกไปด้วยอย่างนี้สวรรค์มันให้ไปเหรอบอกค้ากําไรเกินควรอันนี้ถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนไม่ทำมาหากินนะทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะไม่ชีก็เป็นสัมมาอาชีวะพระภิกษุก็สัมมาอาชีวะขายกล้วยปิ้งก้วยปิ้งก็สัมมาอาชีวะขออ ย, อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นก็สัมมาอาชีวะไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกันนะใช่ไหมด้วยแล้วค่อยสุขถ้าเกิดชาตินี้มันไม่รวยก็เลยทุกตลอดชีวิตน่ยทำไมโง่ขนาดนั้นเนาะเห็นไม พอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วต้องขยันขันแข็งทำต่อไปอย่างมีความสุขนะอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานเรื่องอะไรจะไปทุกข์กับงานถ้าเราเข้าใจชีวิตไม่มีเหตุผลต้องทาให้ตัวเองทุกข์นะถ้าวันไหนมันคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงเรื่องอูดนะไปเป็นอูดดีกว่าอาจจะรอดลูก็ได้ เป็นคนรวยขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะแต่ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปขึ้นสวรรค์อีกนะเสียเวลาเนเราอยู่บนนั้นหลายรอบละมันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติสามโล ก, กาธาตุยังอยู่ในวัฏฏะสงสารเรามาปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยะสมบัติไม่ใช่เธอเอยทะยานนะไม่ใช่เป็นคนมักได้ไม่ใช่เป็นคนฝ่ายสูง บางคนบอกว่าอุ้ยสวรรค์สูงแล้วเนี่ยยังจะไปนิพพานสูงกว่านั้นอีกเนี่ยเธอเทวทยานมากเกินไปหรือเปล่าคิดผิดคิดใหม่ได้นะสวรรค์ไม่ได้ไปไกลตัวไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันเอ็นิพพานมันอยู่ข้างไในเรียบร้อยละนิพพานมันคืออะไรเหรอมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเหรอมันมีเพชรพลอยมีโกดังเก็บเงินเท่าไหร่เหรอนิพพานคือมันไม่เหลืออะไรเลยนเราไม่ใช่เทวทยานนะเรามักน้อยสันโดษต่างหากเห็นไหม แต่เราไปทําบุญเพื่อขึ้นสวรรค์เขาบล็อกกับว่าเออทําแค่นี้ถึงขั้นนั้นถึงชั้นนั้นทําแค่ น, นี้ถึงชั้นนั้นอุย้ยทําบุญขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสูงก็ยังยากแล้วยังจะไปนิพพานอีกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตนะอยากไปนรกอยากไปเที่ยวไหม พ, พ่อคูพาไปแล้วก็ไม่ให้กลับมาเอาไหม พ, พ่อคูพาไปสวรรค์ได้นะ พาไปได้จริงๆแล้วก็ให้อยู่ที่น่นนะอยากเป็นเทวดาก็ให้อยู่ไม่ลงมาเอาไหมใช่นไหมไม่ต้องไปเนาะมันไม่ใช่ทางผลทุกอย่าอย่าเข้าใจผิดมันไม่ได้อยู่ไกลตัวไม่ได้อยู่ใกล้ตัวมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังฟังพุทธเจ้า ไม่ใช่นิาพานอยู่ใกล้ๆนะมันอยู่ข้างในแล้วนะนั่นแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอนะศรัทธานะยังมีต่อรองอีกกี่เปอร์เซ็นต์ชีวิตหนึ่งไม่พอเราลงทุนมาตั้งหลายชีวิตแล้วเห็นไหมแค่อีกชีวิตเดียวนี่ทิ้งมันเถอะนะเพราะกูเคยเล่าให้ฟังนะมีพระภิกษุสมัยพุทธกาลนั่น ท่านมุ่งมั่นมากปฏิบัติไม่เลิกไม่แล้วก็ไม่บรรลุธรรมไงมีวันหนึ่งเห็นนิมิตว่าเฮ้ยเราเป็นหนี้เสือตัวหนึ่งเขาทำยังไง ร, รู้ไหมท่านก็ไปนอนให้มันกินไงใครกล้าทำไหมแรกชีวิตนี้กับการพ้นทุกข์ไงแสดงว่าร่างกายชีวิตนี้มันไม่มีสาระอะไร มันไม่ีสาระนะตอนนี้มีเอามันไปเอามันไปต่อสู้เพื่อสร้างวัตถุ <c oughs> ไปสร้างความรวยนะมันไร้สาระเนาะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเดินทางไม่ใช่ไปอินเดียไปภูเขาหิมาลัยไปอังกฤษไปเวียดนามไม่ใช่นะพระอยู่ในภูเขาจิต ในนั้นมีพุทธจิตรอยอยู่แล้วทุกดวงจิตมีหมดคนจีนบอกโ佛ใจหลิงซันนั่นแหละอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังไม่ใช่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่นะก็เอาแค่สังเขตเนาะจบเลยดีกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะษีรัตนาไตา